อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะรายการธรรมารบาบรูนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าตั้งแต่เปิดสถานีในเวลาตีหนั้นเนี่ยหลังจากที่มีการแจ้งรายการแล้วรายการแรกที่เป็นการรับอรุณก็คือธรรมารบาบรุณของเรานี่แหละคะ่ะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกเช้านะคะ และพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนพระอาจารย์ผู้อนยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปริกเล่นตามพุทธวจนะหรือพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตาบลดอนหายโศกอาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดทิตยภูพโสหรือท่านพระคุณสิทธิ์พยาปภกรเป็นเจ้าอาวาสนั้นท่านก็ได้รับนิมนต์มีเมตตาที่จะมาเป็นองค์ป่าถก ประจำรายการธรรมรับอรุณโดยเสมอมาทุกๆวันซึ่งท่านก็ได้เมตตาที่จะเปลี่ยนเรื่องราวที่เป็นเรื่องของหลักศาสนาบ้างพุทธวจนะบ้างอะไรต่างๆรวมทั้งตอบปัญหาต่างๆให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกเช้านะคะแต่สําหรับในเช้าวัวนเสาร์และวันอาทิตย์นั้นก็เป็นที่ทราบกันละะ้วค่ะว่าจะเป็นเรื่องของช่วงของการสากาักการะหรือว่าการสนทนาธรรมะซึ่งดิฉันก็จะได้มีโอกาสที่จะมาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังกันนะคะเราพบกันในเชา้า วันนี้เป็นเช้า ว, วันอาทิตย์ที่20พฤษภาคมค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันแรม15ข่า้าเดือน6ก็เรียกว่าแรมก็คือเดือนนี้ก็คือคืนเดือนมืด เต็มที่นั่นเองในพรุ่งนี้ก็จะขึ้นเป็นข้างขึ้นกันแล้วนะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านไม่ว่าจะเป็นข้างขึ้นข้างแรมนั้นก็สําหรับท่านเป็นแฟนรายการธรรมาราบุรุณก็คงจะตามรับฟังกันเป็นประจำแหละค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบน้อมสักการพระอาจารย์ไพบูรลอภิปโนพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบน้อมสักการเจ้าข้าพระอาจารย์เจ้าขาเชิญปอนสาธุเจ้าค่ะวั น, ว, นวันพระนี่นวันพระนี่พระก็ไม่ได้หยุดนะ มันครับวันกอเลยเราก็มีรายการของเราตลอดเวลาเ่ค่ะเพราะว่าเราเรียกว่าพยายามทำอย่างที่พุทธวจนะว่าในเจ้าคะว่าพยายามชักชวนให้คนเข้ามาในทางพุทธศาสนาอันนั้นก็เป็นบุญอันยิ่งใหญ่นะเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องสาธเจ้าค่ะ นี้โยมขออนุญาตอย่างนี้เจ้าค่ะว่าเมื่อวานก็คือเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เจ้าค่ะเราได้คุยกันถึงเรื่องของสังคมเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ทั้งหลายหลอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะและตอนท้ายเนี่ยโยมได้อ่ากราบนมัสการขอความเมตตาพระอาจารย์พิบูลอภิปุโนพูดถึงเรื่องของหลักการปฏิบัติ ก็คือการที่พระอาจารย์บอกว่าการเราจะเอาสติเราเข้ามาเหมือนเรามาอยู่ในกระดองเต่าเนี่ย<ช>คือแบบป้องกันตัวเราจากการที่ไอสิ่งที่มาร้ายทั้งหลายมันจะเข้ามาตามผัสสะของเรา<ช>ก็คือช่องตะวนันก็คืออหูจมูกหูตาจมูกลิ้นกายใจเราทั้งหลายแด่เนี่ยเจ้าค่ะยมก็คิดว่าคงมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านที่สนใจว่า อยากจะให้โยมหยิบยกเรื่องนี้เจ้าค่ะมากราบนักมัธการเรียนถามพระอาจารย์พิบูลถึงวิธีการเลยเจ้าค่ะว่าในการที่จะฝึกลมหายใจหรือฝึกจิตของเราให้อยู่นิ่งนั้นเนี่ยโดยการใช้วิธีที่เรียกว่ากำหนดลมหายใจหรืออานาบาล ตามที่องค์พระสัมมาสมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้หรือว่าเป็นสิ่งที่องค์ท่านบอกว่าองค์ท่านเนี่ยอยู่กับเรื่องของอนาปาณาสติเนี่ยตอนที่ก่อนจะตรัสรู้และหลังจากตรัสรู้แล้วนะเจ้าค่ะ <c oughs> พระองค์ก็ยังแบบเรียกว่าหลีกเล่นไปทําเรื่องอนาปานาสติอยู่ค่อนข้างมาก <c oughs> ดังนั้นก็ขอความเมตตาพระจันทร์เป็นบุอภิพิโ น, โนเจ้าค่ะนิมนต์ให้ได้ชี้แจงแตั้งแต่หลักพื้นฐานเลยเจ้าค่ะ <c oughs> เผื่อว่าโยมบางท่าน <c oughs> ยังไม่เข้าใจตรงนี้ก็จะได้เข้าใจแล้วส่วนมีปัญหาอะไรเดี๋ยวโยมจะถามตอนท้ายที่ลหลายๆคนปฏิบัติไปแล้วแม้แต่ตัวโยมเองก็เคยประสบว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เหมือนคนอื่นคะเวลานั่งสมาธิไปพระนิมนต์ได้ได้อันนี้ก็คือสืบเนื่องมาจากเรื่องของสังคมในปัจจุบันที่เราพบเจอกันมานะว่าข้ อ, อสิ่งที่ดีก็มีสมมติเทคนโนโลยีใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยข้อดีของเขาก็มีข้อเสียของเขาก็มีเอ๊ะเราเราจะป้องกันข้อดีแล้วเอาป้องกันข้อเสียแล้วเอาแต่ข้อดีได้อย่างไร S <S นะ <Okay. S 1> คือมันก็ยากเราก็ต่ออยจยิงนําเสนอปัญหาที่ทวนกระแสและเป็นเรื่องทวนกระแสก็คือนําเสนอแค่แก้ที่ตัวเองไม่ต้องแก้ที่คนหนึ่งนะทีนี้ไอาการทวนกระแสตรงนี้แก้ที่ตัวเองตรงนี้ก็ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าสตินะคือถ้าเราเห็นข้อดีข้อเสียเนี่ยนะคุณตือใจคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อดีหมดนะไม่มีไม่จริงนะมันมีข้อเสียด้วย <Okay. S 1> ถึงแม้ว่าอะไรที่เจะเห็นว่ามันดีดีๆอย่างเช่นธรรมะอะไรเงี้ยก็มีข้อเสี ย, ยถ้าจะบอกว่าข้อเสียของธรรมะเราก็ช่พูด ไม่ถูกกับที่ปริชาบอกแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้ว่าข้อเสียคือความที่มันไม่เที่ยงเข้าใจไหมอย่างสมมติอย่างสติอย่างเงี้ยหรือสมาธิอย่างเงี้ยข้อเสียของสมาธิก็มีนะตรงที่มันไม่เที่ยงนะมันดับไปได้นี่คือข้อเสียของเขาแต่ทุกอย่างมันดีหมดเลยทาให้จิตเราเป็นสมาธิทำให้จิตเรามีความสุขทําให้จิตเราแช่มชื่นทําให้แก้ปัญหาต่างได้อความสัมพันธ์กับคนอื่นก็ดีขึ้นแต่ข้อเสียของมันก็คือว่ามันไม่ได้อยู่กับเราตลอดมันเปลี่ยนแปลงได้เพราะนั้นเราจะเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ย เราจะต้องมีสติในการที่จะเข้าใจได้กานต้อมีสติในการที่จะเห็นว่าเฮ้ยนี่มันเป็นภัยตรงนี้นะเราต้องบาดออกหลบนิดนึงตรงนี้ดีๆเอาใช้ไว้อย่างเงี้ยซึ<ด>่ง<ด>ทำให้เรามาจุดที่เรียกว่าเอองั้นเรามาฝึกจิตให้เรามีสติฝึกจิตให้เรามีสติทํำยังไงนะพุทธเจ้าทำยังไงล่ะอ่าพระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีที่เรียกว่าอานาปันสติก็คือมาสังเกตอ่ลมหายใจของเราเอง เขามาสังเกตลกมหายใจเนี่ยบางคนจะใช้ไม่เหมือนกันด้วยนะคุณเตือนใจบางคนบอกว่าสังเกตลกมหายใจบางคนบอกกําหนดลมหายใจบางคนบอกว่าระลึกถึงลมหายใจบางคนบอกว่าให้มีสติในลมหายใจซึ่งเป็นคําเดียวกันหมดนั่นแหละอก็คือ<ช>ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือระลึกถึงลมหายใจบางคนไม่เข้าใจคำว่าระลึกถึงก็หมายถึงว่าคิดถึงลมหายใจเอา ให้เธอคิดถึงลมหายใจอย่างเดียวแทนที่จ ะ, จะไปะคิดถึงเรื่องคนนูน้นคนนี้เรื่องอื่นเรื่องที่มาจากโทรศัพท์มือถือเรื่องที่เป็นอดีตอนาคตอ่าหยุดๆ ย, ด ย, ดยดุคิดถึงลมหายใจซะทีนี้พอมาโรงแรมเรียก ว, ว่าเออเราไม่คิดถึงลมหายใจเราไม่คิดถึงตรงไหนของลมหายใจใตรงจังหวะที่มันจะเข้า <S <S หรือจะออกหรือเป็นอัชะวะตอนเข้าหรือตรงไหนของลมหายใจแต่เพราะว่าลมนี่มันจับต้องไม่ได้ถูกไหมอ่าทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยให้กําหนดจุดที่เรียก ว, ว่าปาริมุก ข, ขัง นะ้ปริมุขังนี่เป็นภาษาบาลีเนื่ที่แปลว่าเฉพาะหน้าแต่เป็นบริเวณทางเข้าออกอย่างสมมติตามสถานที่ราชการหรือว่าอาคารบ้านเรือนเนี่ยบ้านบางคนอย่างโรงแรมอย่างนี้เนี่ ย, ย, ยจะมีสิ่งที่เป็นมุกยื่นออกมาจากอาคาร <Okay. S 1> แเป็นจุดที่ให้รถเข้ามาเทียบได้แล้วก็ลงรถได้ไม่เปียกฝนไม่แตะไม่โดนแดดอย่างนี้ใช่ค่ะตรงนี้คือมุก ค, คือทางเข้าดฉะนั้นพระเจ้าที่บอกว่าปริมุกขังมุกมุกเนี่ยคือจุดที่ทางเข้าออกของลมหายใจ ที่เราบอกกันว่าเออเวลาที่มันลมอากาศที่มันอยู่นิ่งๆเนี่ยเวลามันเคลื่อนผ่านก็ไปนในร่างกายของเราผ่านทางโรงจมูกเนี่ยมันจะมีความดันมากขึ้นนะเพราะมันรูมันเล็กโลงเพราะว่ามันมันเคลื่อนเข้าไปแล้วเนี่ยจมูกเราก็จะมีเนื้อเยื่อตรงนั้นค่อนข้างละเอียดอ่อนเบาบางนะเป็นคือบริเวณจุดที่เรารับรู้กลิ่นอย่างเราดมกลิ่นอาหารกลิ่นของหอมกลิ่นของเหม็นพวกนี้มันจ ะ, จะรับรู้ได้ที่จุดที่เรารับรู้กลิ่นตรงนี้แต่เพราะนั้นเนื้อเยื่อบริเวณนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะ ะละเอียดอ่อนนะเป็นเนื้อเยื่อที่เบาบางในสมมตไข่คแคะจมูกมากๆเนี่ยบางทีเลือดกําดาวหลก็ออกมาจากตรงนี้แหละนะเป็นบริเวณ <ๆ S 2> ที่เส้นเลือดมันมาเส้นเลือดฝอ ย, ยมันมาหล่อเลี้ยงตรงนี้เพื่อให้รับรู้กลิ่นได้มีมีความละเอียดอ่อนตรงนี้นะทีนี้พ อ, อให้มันอยุดจุดนี้ดูอะไรนะก็คือสังเกตถึงสัมผัสของลมที่มันมาโดนตรงนี้แล้วก็ให้จิตของเราเนี่ยอยู่ตรงนั้นทําไมต้องอยู่ตรงนี้อยู่ตรงอื่นได้ไหมอยู่ปลายจมูกได้ไหม อันนี้อยู่ที่ว่าคุณรับรู้ได้ตรงไหนคุณก็เอาจิตของคุณไปตรงนั้นนะคือถ้าปลายจ ม, มูกเดี่ยวบางคนอาจจะไม่ได้รับรู้ได้นะแต่ว่ากําหนดไม่เฉยๆมันก็จะไม่ได้มีเครื่องหรือมัณดิมิตในการที่จะระลึกถึงนะคือลมหายใจเนี่ยบางคนจะไปคิดว่างั้นตามลมไหมนะตามลมก็ไปถึงท้องถึงกระบังลมถึงอกหรือว่า อ, อ่ออาอปลายจนกระทั่งถึงไหนถึงไหนอย่างนี้แต่ว่าให้อยู่ที่เดียวออก็คือในข้อ น, นี้คือเราไม่ตามลม นะไม่ได้ไม่ต้องตามลมก็ไปจกกนถึงกระบังลมจนถึงท่อถึงใส่หรือไม่ได้ตั้งตามลมออกไปจนถึงปลายจมูกหรือว่าข้างนอกแต่ว่าให้เรามารู้อยู่ที่เดียวถามว่าทําไมทําไมต้องที่เดียวแล้วก็เราก็ดูอุปมาอุปไมยที่พระเจ้ายกตัวอย่างขึ้นคุณเตือนใจพระเจ้ายกตัวอย่างของนายช่างกลึงคือช่างกลึงรู้จักไหมคุณเต น, นใจรู้จักเนาะที่เขาเอากลึงชิ้นงานนะนะให้มันกลมเกลียงอ่าใช่ใช่อาจากที่กุปตอ่ามีที่ขาใหม่ที่วัดป่าตอนไหนโสงเนี่ยที่เอามา ซื้อมาใช้อะนะปรากฏว่ามันมันไอเกลียวมันมันหลวมเพราะมันหมุนมากเกินไปเนก็เลยไปให้ช่างกลึงเขากลึงให้ก็ไปหาช่างกลึงที่ที่ร้านกลึงร้านกลึงนี้เป็นร้านกลึงที่เปิดมาตั้งโอ้ยสามสิบหกสี่สิบปีแล้วไหมอยู่ที่อุดรธานีนะไปเจอช่างกลึงเนี่ยเขาก็อายุหกสิสี่แล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยกลึงมาตั้งแต่อายุเก้าขวบแล้วก็อายุเ้าขวบคือเกิดมาเนี่นะพ่อก็กลึงมาเลยมาจากเมืองจีนมาเป็นช่างกลึงอยู่อุดรธานี แล้วก็ตัวเขาก็โตมาก็อยู่ก็ช่างกลึงได้แหละกลึงมาตลอดก็เลยถามว่ า, วาเอ๊ช่วยอธิบายวิธีการกลึงให้ฟังหน่อยแล้วเขาก็บอกว่านี่เอาก่อนอื่นนะต้องเอาไอ้ตัชวชิ้นงานที่เราจะต้องการกลึงเนี่ยนะขึ้นรูปเนี่ยนะเอาไปประกอบกับตัวเบ้าก่อน <Okay. S 1> ประกอบกับเครื่องไอ้ท่านกลึงเนี่ยแล้วก็ต้องการต้องจะปรับนีปรับความเร็วหรือปรับระยะนะให้มันจี้เข้าไปที่ตัวใบมีดนะแล้วถามว่าอนตามากถามว่ า, วาเอ๊แล้วช่างกลึงเนี่ยต้องสนใจอ ย, อยู่ที่ไหน นะความสนใจจุดจอดจ่อของช่างเครื่องอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าต้องอยู่ที่ระหว่างใบมีดกับตัวชิ้นงานน้ำใบมีดกับชิ้นงานโดนกันที่ไหนตาเราต้องจ้องที่ตรงนั้นเอาแล้วถามว่าเอาแล้วเวลาปรับคันชักปรับให้ความเร็วปรับอะไรต่างๆไม่ไม่ต้องมองหรอบอกไม่ต้องมองเลยตรงนี้ใช้รู้เอาเฉยๆสมุดเราปรับคันชักเนี่ยเราเราไม่ต้องมองนะว่ามันเราไอด้ามจับมันอยู่ตรงไหนคุณต้องรู้เลยความเป็นเขาเรียกว่าเป็นมืออาชีพ คือชำนาญมาแล้วนะใช่ใชเพรา ะ, ะนั้นคือถ้าช่างกลึงที่ไม่ชํานาญเขาจะต้องไปมองไปอะไรทําให้การกลึงของเขาเนี่ยไม่เร็วแล้วก็มีความผิดพลาดสูงแต่ถ้าช่างกลึงมืออาชีพเนี่ยเขาจะต้องมองอยู่จุดเดียวที่สัมผัสแล้วเขาบอกประมาอย่างนี้เดิในใจก็บอกว่าเราต้องดูนะถ้าเราชักคันเชือกอชักไอ้เจ้าแท่นกลึงเนี่ยเข้าไปหาใบมีดมากเกินไปเนี่ยแล้วมั น, ม, นมันไปไม่ไหวหรือใบมีดมันสึกแล้วเนี่ยเครื่องมันจะสั่นขึ้นมาอย่างนี้แต่ต้องต้องค่อยช้าละต้องเร็วไปเกินไปไม่ได้อย่างเงี้ยนะซึ่งเป็นเขาเรียกว่า เป็นการทํางานของเขาจริงๆซึ่งพระเจ้าเนี่ยยกอุปมาอุปไ ม, ปมตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะอธิบายว่าเข้าลมเข้ายาวลมออกยาเข้าสั้นออกสั้นแล้วก็ยกตัวอย่างของช่างกลึงเนี่ยชักเชือกกลึงยาวชักเชือกกลึงสั้นเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าเราไม่ต้องตามลม เ, เราไม่ต้องตามลงเข้าไม่ต้องตามลมออกแต่ให้รู้อยู่ที่เดียวเหมือนกับช่างกลึงที่เข า, เามองอยู่ที่จุดสัมผัสระหว่างใบมีดกับตัวชิ้นงานอีกตัวอย่างหนึ่งที่อาตมาเห็นชัดเลยก็คือวันนั้นไปไปเลื่อยไม้สําหรับ ทำฟืนคือคือเขาเขาลมไม้กันมาแล้วเนี่ยนะเราก็ะจะไปเลื่อยไม้สำหรับทันฟืนเนี่ยก็เลื่อยไปเรื่อยเลื่อยไปเรื่อยเนี่ยเราก็พบว่าอ๋อคนที่เลื่อยไม้เนี่ยนะเขาจะต้องมองอยู่ที่จุดสัมผัสระหว่างไม้กับไม่รู้คุณตัดใจเคยเลื่อยไม้หรือเปล่าเคยเจ้าค่ะแต่ว่าไม่ค่อยจะได้ผลมันแข็งเออคือว่าไม้กับตัวตัวเลื่อยนี่นะมันสัมผัสที่จุดไหนเนี่ยช่างไม้เนี่ยเขาต้องดูที่จุดนั้นเขาจะไม่ได้ดูตามมือที่มันชักขึ้นชักลง บางทีเลื่อยเนี่ยเร็วบ้างตามจังหวะของคมมีดของคมเลื่อยหรือตามจังหวะของเนื้อไม้เนื้อไม้บางจุดอ่อนไปได้เร็วเนื้อไม้มางจุดแข็งต้องใช้อย่างก้อนแรกๆอย่างเงี้ยตอนที่เราเริ่มเลืเ่อยนี่นะเราต้องอชักเข้าชักออกให้มันเร็วๆ เ, เพื่อที่จะให้กินให้คมเลื่อยเนี่ยกินเนื้อไม้ก็ไปก่อนแต่พอกินเนื้อไม้แล้วเราทาให้มันช้าให้มันยาวได้ อย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือลักษณ ะ, ะของเวลาที่เขาเลื่อยแต่จุดที่เขาจะสนใจมองอยู่ที่จุดเดียวคือจุดที่คมเลื่อยสัมผัสกับตัวไม้สค่ะเช่นเดียวกันตรงนี้เราต้องสนใจจุดเดียวคือจุดที่ลมหายใจเนี่ยสัมผัสกับในโพรงจมูกอ่ามันสัมผัสรับรู้ได้ตรงไหนเอาจิตของเราไว้ที่ตรงนั้น ก็ใช่น้อก็คือเอาใจจิตใจจดจ่อไปอ่า <c oughs> ไปรู้สึกถึงความรู้สึกตรงนั้นจุดเดียวนะเจ้าค่ะใช่ใช่ช่เจ้าค่ะเอาที่เดียวไม่ได้ตามลมนะทีนี้ว่าพอเราระลึกรู้ถึงที่เดียวแล้วเนี่ยไม่ได้องตามลมแล้วเนี่ยนะคือบริเวณทางเข้าของโพรงจมูกเนี่ยนะมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าอาลมเนี่ยมันมีหลายแบบบางทีมันเข้ารูเดียวบางคนเป็นบัตรเข้ารูเดียวหายใจได้โพรงจมูกรงเดียว นะหรือบางทีลมหายใจนี่ก็จะเป็นแบบอื่นมีช้เร็วบ้างช้าบ้างนะเราอย่าไปสนใจคือสิ่งที่เราต้องการเนี่ยไม่ใช่ลมหายใจบนเดินใจสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือสติจริงๆริงสิ่งที่เราทีต้องการเนี่ยไม่ใช่สติโดยทวยซ้จริงที่เราต้องการคือจิตนะเราต้องการจิตเพื่อเราจะได้ฝึกจิตให้ได้นะพอเรามีจิตเรามีสตินะเรามีลมหายใจอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยจะพาไปวีมูทได้จะพาไปเราถึงความปล่อยวางถึงความที่เราไม่ไหลไปตามสิ่งต่างๆถึงความที่เราจะ มีจิตใจสบายได้อยู่ไม่ว่าโลกนี้จะเป็นยังไงนีย่ยตรงนี้ตรงนี้สําคัญเพราะฉนะนะั้นเราให้จิตสติกับลมหายใจเนี่ยอยู่ด้วยกันแนบแน่นเป็นเนื้อเดียวกันไม่ว่าลมหายใจจะเป็นอย่างไรก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีจิตมีสติอยู่ด้วยโอเคดีแล้วในะลักษณะนี้เพ <Okay. S 1> นะฉะนั้นะตรงนี้สําคัญนะว่าไม่ว่าลมหายใจประเภทไหนนะเราไม่ต้องต้องตามลมเนะเราไม่ได้ต้องตมัมไม่ต้องบังคับลมนะแต่เราก็ไม่ได้ว่าจะต้อง อมีความกังวลว่า้ลมหายใจฉันทําไมมันมันมันเหมือนจะหายไปหรือว่าลมหายใจฉันทําไมมันรู้สึกว่ามันเย็นมันร้อนหรือลมหายใจฉันทําไมอมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคุณไม่ต้องกังวลแล้วเราเอ า, เ, อ า, เ, อาเราเอาจิตเราเอาจิตแลก็เรเอาลมหายใจแขอไปเราเอาจิตกับเราเอาส ต, าาตินะไปไว้ตรงที่เรารู้สึกถึงจุดสัมผัสนั้นจุดนี้นะคะทีนี้พอเราทําอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้คือถ้าคนก็ไม่เคยทำเนี่ยก็จะเริ่มบังคับแเกรงบ้างบังคับบ้างอันนี้คุณทําไม่ถูก ถ้าเรายัางมีงต้องมีการเกรงเราต้องมีการบังคับเนี่ยแสดงว่าอเหมือนอย่างถ้าเราไปเห็นช่างกลึงที่เขาฝึก ง, งานใหม่ๆเนี่ยนะคือเด็กฝึก ง, งานอย่างเรียนเรียนปชปชปสมาหรือได้หมาลายมาเนี่ยฝึกงานกลึงงา น, น, งานชิ้นแรกเนี่ยนะโอ้ยมันเก้เก๊กังๆัอืมจบค่ะนึกออกเนาะอยังสมมติแม่ครัวเอาดู ง, ง่ายๆอย่างแม่ครัวอย่างเงี้ยแม่ครัวที่เพิงเข้าครัวใหม่ฝึกทําครัวใหม่เนี่ยโอ้ยสีอิ่วอะไรอยู่ตรงไหนมันหยิบไม่ทูไปหมดเลยมันทกแล้วเธอเลี่ย่าไปหมดมันดูเก้เก๊กังก แต่ว่าแม่ครัวที่เขาทํามีประสบการณ์แล้วเนี่ยคุณตื่นใจออืแค่ดูอาหารดูอาหารที่เขาทำนี่ไม่ต้องกินเลยก็รู้สึกว่ามันอร่อยแล้วแต่เพราะว่าความที่เขาชํานาญในการที่เขาปรุงอาหารมากลีลางต่างเลยมันสวยงามนะเจ้าค่ะเจค่ะก็คือว่าเขาทําอย่างเป็นธรรมชาติเขาทำอย่างเป็นธรรมชาติมีความ เ, เชี่ยวชาญตรงนี้แต่ไม่ได้ไอความธรรมชาติตรงนี้แหละที่เราต้องทําให้เกิดขึ้นแต่ทำํำบ่อยๆทำซ้ำๆทําย้าๆจนกระทั่งมันมันเป็นธรรมชาติของเราอะนะ อ่าไม่ได้ว่าต้องบังคับไม่ได้ว่าต้องเกรงคือเกิดความชํานาญขึ้นมาเองแล้วก็รู้เองว่าเราจะวางจิตไว้ตรงจุดไหนในจมูกของเราใช่ไหมเจ้าคะนั่นก็อยู่ที่การหมั่นฝึกหมั่นปฏิบัติบ่บอยๆก็จะชํานาญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปนะคะอย่าให้อย่าให้มีความกังวลว่าเอ้ฉันทําไมเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยความกังวลพวกนี้เป็นเป็นเป็นนิวรณ์เป็นเครื่องที่จะทําให้เราจริตของเราไม่เป็นสมาธิแน่นอนอืมเจ้าค่ะ ทีนี้ตรงนี้โยมอยากขอถามแทรกหนึ่งนิดนึงนะเจา้าะว่าที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่ า, าที่พระอาจารย์สอนตามาสิ่งที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนไว้ก็คือการที่ อ, าอนาปานาสติกก็คือการกําหนดลมหายใจไว้ตรงหน้าใช่ไหมเจา้าคะแต่นี้โยมก็คิดว่ามีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านก็เคยมีประสบการณ์อย่างโยมเองนะเจา้าคะว่าพอไปเรียนสมาธิเนี่ยบางที่บางแห่งเขาบอกให้เอา ไปรู้สึกตรงท้องเราเจ้าค่ะยุบนอพพองนองยุบหยอพพองน้อเหมือนกับมันไปไปรู้สึกอยู่ตรงตรงพุงเราบ้างตรงกระบังลมบ้างอย่างนี้เจ้าค่ะอันนี้เป็นเรื่องผิดไหมเจ้าคะหรือว่ามันมันยังไงโยมอยากจะขออนุ ญ, ญาตถามเจ้าค่ะคืออันนี้เราก็ปฏิบัติตามพระวจนะอนะอ ค, คือว่าวิธีการปฏิบัติเนี่ยใครๆก็คิดได้คุณตือนใจคือสมมุติว่าเราเรามีสมองเราก็คิดอะไรขึ้นมาใหม่ก็ได้ก็ก็ก็เป็นความคิดที่เขาจะคิดได้แต่แต่ว่าพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อย่างนี้เหนื่อยไหมคือถ้าเราจะปฏิบัติ คือคําสอนงพุทธเจ้าเนี่ยคือเป็นคําสอนพระพุทธเจ้าคุณตีใจเขาใจเนาะเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยก็คือคําสอนของพุทธะเราก็ต้องอิงจากพุทธะ <Okay. S 1> นะว่าพุทธะสอนอย่างนี้เราก็ทำตามแค่ น, นี้เองเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> อะไรที่มันมันเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังเอางี้ยเราก็ยกไว้ก่อนนะเพราะว่าอันนี้อาจจะยังไม่ใช่พุทธวจนะอย่างนั้นก็ตามใ น, นเมื่อมีพุทธวจนะอยู่เราก็เลยจะปฏิบัติตามพุทธวจนะเราก็จะรู้สึกสบายใจมากกว่า อ่างเงี้ยนะเอรื่องวิธีการต่างๆเนี่ยเราอาจจะค่อยพิสูจน์ไปก็ได้ว่าเอ๊ะทำแล้วมันสงบไหมทําแล้วมันจริงดีจริงไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยคือวิธีที่ทําให้เราปล่อยวางได้วิธีที่สุดก็คือวิธีที่พระเจ้าของเราใช้อ <PTSD> ย <denominator. S 1> ู่วิธีที่ดีสุดคือวิธีพระเจ้าของเราสอนใช่ค่ะคือถ้าสิ่งไหนดีๆเนี่ยพระเจ้ายืนยันไว้เลยนะสอนหมดทุกอย่างแล้วไม่มีกรรมมือในธรรมะที่ยังไม่เปิดให้ดูคือคือแด่มือออกมาเนี่ยไม่เห็นอะไรแล้วนะมือพระเจ้าไม่มีอะไรที่กกมมมมหตาไไว้่ี คือบอกหมดสอนหมดแล้วเพราะอะไรถ้าตามที่พระเจ้าสอนมามันมีแค่นั้นเองจริงไม่ได้มีอื่นนอกจากที่บอกไปแล้วพระเจ้าบอกนี้ตอนก่อนไปรินิพพานาอืเพราะฉะนั้นเท่ า, าที่บอกมานี่นะคือพอแล้วในการที่จะพาเราอะให้พ้นทุกข์ให้พ้นไปสู่ให้ไปสู่สนิพพานได้เพราะฉะนั้นก็ในเมื่อพระเจ้าบอกว่าให้อยู่ป ร, ริมุขขังนะให้ไม่ต้องตามลมแล้วก็ก็ทําอย่างนั้นก็ก็จะสบายใจเราดี เ<น>จ้าค่ะทีนี้ยมขอถามว่าถ้าสมมุติว่าคนทั่วไปนะเจ้าค่ะพอฝึกมาอย่างที่พระอาจารย์ภับุญอภิปุโนโดได้ได้เมตตาที่จะบอกมาแล้วเนี่ยขั้นต่อไปเป็นไงเจ้าค่ะหลายท่านก็อยากจะทราบและยมก็อยากจะทราบด้วยเจ้าค่ะขั้นต่อไปนเนี่ยมีมีหมอคนหนึ่งเขาขเขาถามหมอคนหนึ่งเขาถามมาว่า อ, อตอนจังหวะที่ลมหายใจมันออกเนี่ยนะแล้วมันยังไม่เข้าเนี่ย รืว่าลมหายใจเข้าแล้วกำลังจะออกแต่ยังไม่ออกเลยนะมันจะมีจุดที่ว่าลมหายใจมันหยุดไปนิดนึงหมอนี้เขาช่างสังเกตมากเลยนะหมอเป็นเป็นเอ่อเป็นแพทย์หญิงก็มาถามว่าเอ๊แล้วจุกนั้นเนี่ยไม่มีจุดสัมผัสคือสัมผัสของลมหายใจไม่ได้เกิดขึ้นแต่เพราะว่ามันไม่มีกระแสลมใช่ไหมเฮ้แล้วจะจิตไว้ตรงไหนนะจะจิตไว้ตรงไหนเจ้าค่ะเขาช่างถามนะค่ะเจค่ะก็คือว่าจะต้องเอาจิตไว้ที่เดิมนั่นแหละ นะั่นคือสิ่งที่เราต้องการเนี่ยนะบอกย้ําอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ลมหายใจนะเราต้องการจิตนะเราต้องการสตินะเพราะว่าสติเนี่ยจะพาจิตไปสู่วิมุติได้นะพอจิตพอจิตเนี่ยมาอยู่ที่ตรงตำแหน่งเดิมเนี่ยนะไม่ว่าตำแหน่งนั้นจะมีลมหรือไม่ก็ตามเรียกว่าเรามีความระลึกถึงนะอ่าระลึกถึงระลึกถึงอะไรระลึกถึงแทนที่ว่าจะให้จิตของเราไหลาไปตามที่นู่นที่นี่นะไหลไปตามสุนัขจิ้งจอกที่มายุ่ยยวนเราหรือว่าสิ่งมากระทบ แต่ให้จิตขเรากลับมาอยู่ที่บ้านคือตำแหน่งนี้อก็ ừ, <c oughs> ชื่อว่าระลึกถึงละคิดถึงลหมหายใจละเพราะฉะนั้นคือไม่ได้เกี่ยวกับว่าลมหายใจจะมีไหมคือบางทีลมหายใจเนี่ยมันแผ่วเบาไปคุณเตือนใจแผ่วเบาไปแผ่วเบาไปจนกระทั่งที่เราว่าเฮ้จะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็คือมันไม่มีก็คงจะตายไปแล้วนะ <c oughs> แต่มันก็มีอยู่แต่มันน้อยมากอะ่ะออจะเรียกว่าไม่มีก็ไม่ใช่แต่มันก็ไม่มีเกือบไม่มี เพราะฉตรงตรงเนี้ยก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำการปรุงแต่งทางกายให้หระงรับคือลมหายใจเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายอย่างกายของเราเนี่ยคุณตัใจมีทั้งผมหนังเล็บกระดูก ม, ม้ามตับปอดพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องมีส่วนหนึ่งด้วยคือลมแ ล, ลม้ลมลมหายใจ เ, เข้าลมหายใจออกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกายของเราจะมันลมที่มันไหลไปตามตัวลมในท้องลมในส้อยลมในไส่เนี่ยลมที่มันออกมาข้างล่างเนี่ยนะ ลมเล่นขึ้นเบื้องบนลมแล่นแ ล, ล, ล่นลงเบื้องต่ําพวกนี้เป็นลมทั้งหมดกะเออพวกลมพวกนี้คือธาตุเป็นเป็นสิ่งในร่างกายของเราเพราะนันก็เป็นเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายแต่เพราะนั้นไอไ อ, อ, อ, อลมเนี่ยถ้ามันจะสั้นจะยาวจะชา้าจะเร็วจะร้อนจะเย็นออมันเป็นได้หมดนะเราเราสนใจที่ว่าให้จิตของเราเนี่ยมีสติอยู่ให้ได้นะ่ะเป็นอย่างนี้ะอ ทีนี้ว่าพอทําไปทําไปไอการปรุงแต่งทางกายตรงนี้มันอาจจะระงรับลงได้ <Okay. S 1> พอมันระงรับลงได้อย่างนี้แล้วเกิด อ, อะไรขึ้นนะแล้วก็จะคือครูพระาเขาบอกให้หายใจต่อไปเพราะฉะนั้นหายใจจากตรงนี้ไปเนี่ยมันจะไม่ใช่ลงหายใจนะแต่จะเป็นการหายใจคือต้องพูดนิดนิดหนึ่งว่าการหายใจกับลมหายใจเนี่ยไม่เหมือนกันทีเดียว mm hmm. อยีกสมมุติว่าถ้าเราถ้าเรามีการหายใจอยู่แต่ลมหายใจเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยนะแต่การหายใจเนี่ยมีแน่นอนไม่งั้นเราคงตายไปแล้ว นะคือให้เรามีมีสติอยู่กับการหายใจมีสติอยู่กับการหายใจต่อไปนะแต่ลมหายใจมันอาจจะเบาบางไปก็ไม่เป็นไรอย่าให้ตกใจแล้วก็ให้มีสติอยู่ไว้ที่เดิมจุดตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงลมหายใจไว้ที่สุดท้ายาอันนี้อันนี้คงเข้าใจนะว่าการหายใจกับลมหายใจนี้ไม่เหมือนกัน เข้าใจเจ้ค <ừ> ่ทะทีนี้หลังจาก ừ ừ ที่เรามีสติอยู่ที่ลมหายใจจุดเดียวแล้วนะเจ้าคะ ừ ừ ทีนี้ที่จะไปถึงวิมุตอะไรต่างเนี่ยยมอยากขอเนี่ยถามแตบบ่ชาวบ้านเราว่าคําว่าวิมุตเนี่ยหมายถึงอะไร ừ ừ ừ แล้วก็การที่ว่าจะแบบเราหลังจากนี้ไปเนี่ยจิตเราจะเป็นยังไงควรจะวางจิตยังไงหรือว่าคิดถึงเรื่องอะไรเพราะว่าบางทีเขาบอกว่าให้มีการคิดปรองว่าชีวิต รานั้นเนี่ยเป็นจริงไม่เที่ยงอะไรต่างๆเหล่านี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ช่วยนมจตาขยายความด้วยเจ้าค่ะคือคันนี้เราก็จะยกมาจากอานาปานสติสูตรในผู้เช่าได้เคยพูดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าพอจิตเราไปอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคือนอกจากว่ารู้ลมหายใจเนี่ยมันเป็นธรรมดาคุณตจมบางทีเราไปคิดนั่นคิดนี้คิดเรื่องอดีตนคาคตฟุ้งซ่านอะไรไปเห็นภาพเห็นเสียงราลึกถึงคนโน้นตายไปแล้วคนนี้ี่ยังไม่เกิดมีทั้งนั้นเลยแล้วบางคนนี่ก็กลายเป็นแบบ มีเหมือนมดอะไรมาไตา่ต า, ตามตัวเหมือนตกเหวเหมือนลอยขึ้นฟ้าเหมือนจะเอ็นหลังลม้มเหมือนจะทิ้มไปข้างหน้าหเหมือนตัวมันจะเป็นแบบแข็งแข็งโอ้ยมันเป็นได้สารพัดอืมเจ้าค่ะอันนี้เกิดจากอะไรเจ้าค่ะนี่แหละคือการปรุงแต่งของจิตอืมเจ้าค่ะอ่ะพาพระเจ้าบอกว่าให้เป็นผู้ที่รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจเข้าหายใจออกนะหมายความว่าเราต้องรู้ว่าเออจิตนี่มันปรุงแต่งไปเรื่อยเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําไง ก็คือทําการปรุงแต่งของจิตเนี่ยให้ระงรับทําให้ระงรับนายอย่าไปสนใจมัน น, นปะปลว่าเขาชะแล้วเราก็มาอยู่กับลมหายใจของเราอยู่ต่อไปอื ม, มคือบางคนเนี่ยไปคิดว่าโอ้อันนี้ต้องเป็นอันนี้แน่นอนเลย<ม>เห็นภาพนี้สงสัยต้องเป็นอันนี้แน่นอนเลยเออบ้านฉันจะเป็นอะไรนะาะมันคิด<ม>ไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยทําให้การภาวนาขงคุณจะทํำไปทำไปไม่ได้นะคือ<ม>คือคุณจะต้องทําให้การปรุงแต่งตรงเนี้ให้ระงรับให้ได้ อืระงับก็คือไม่ได้คิดถึงอะไรเลยนะเจ้าค่ะให้มันหยุดไปเป็นความว่างเปล่าเลยใช่ให้มันหยุดไปถึงจะถูกต้องแต่คือบางคนบางคนไปคิดว่านั่งนั่งสมาธินี่ต้องเห็นนะเห็นสีเห็นแสงให้ดีนะโคตเห็นวิมานเห็นอะไรพวกนี้ไม่ใช่นั่งสมาธินี่คุณต้องเห็นตามที่เป็นจริงจุดประสงค์ของการนั่งสมาธินี่คุณเตอนใจคือให้เห็นตามที่เป็นจริงเนี่ตรงต้องมาถึงตรงจุดที่เรียกว่าเราจะเห็นตามที่เป็นจริงได้ไงโอ้ก็คุณเห็นลมหายใจมันไม่เที่ยงไหมล่ะ มันเข้าแล้วมันไม่อ่อนไม่มีนะหรือออกแล้วมันไม่เข้าไม่มีนะมิงานเรตายไปแล้วแต่มันเข้ามันก็ต้องออกเามันเปลี่ยนแปลงแล้วนี่เราเห็นตรงนี้ไหมคือบางคนเห็นแค่ลมหายใจแต่ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไม่เห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจอันนี้คุณยังไม่ได้ะหรือว่าแค่ความคิดของเราเนี่ยเดี๋ยวคิดเดี๋ยวไม่คิดเออบางคนเห็นความคิดเกิดอยู่บางคนเห็นความคิดดับอยู่แต่ไม่เห็นความไม่เที่ยงของความคิดอย่างนี้ก็มีเพราะเราเรานั่งสมาธิเนี่ยเพื่อให้เห็นนะเห็นตามที่เป็นจริงนี่คือประเด็น ที <Okay. S 2> นี้เราจะเห็นตามที่เป็นจริงได้เนี่ยแต่เราต้องอาศัยความที่ฉีของเราเป็นสมาธิถ้าจีเราไปคิดนู่นนี่ไหลไปตามความคิดเพลินไปในอดีตอนาคตเนี่ยคุณจะไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงหรอกคุณก็จะเห็นแต่สิ่งนั้นเกิดขึ้นอยู่อย่างเดียวดับไปบ้างแต่ไม่เห็นความไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นการเกิดก็ดีการดับก็ดีจะไม่เห็นไม่เหมือนกับการที่ความไม่เที่ยงอย่างนี้ประเด็นก็คือว่าพอเราเห็นความไม่เที่ยงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนี่แหละคือจุดสําคัญของตือนใจเราจะปล่อยวางได้ อ่าเพราะเราเห็นความไม่เที่ยงเราจะพบว่าโอ้สิ่งนี้มันไร้สาระจริงๆแล้วเราไม่น่ามายึดถือมันไว้วางซะพอเราวางแล้วตรงนี้แหละจะเป็นจุดสําคัญที่ทําให้เรามีความสบายใจมีความร่าเริงใจมีความที่เรียกว่าเป็นวิมุติเกดขึ้นได้แล้วตรงนี้คุณเตนใจเอ้ยมันแก้ปัญหาได้ทุกปัญหาในโลกนี้นะอืมจาค่ะอย่างสมมติปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติเนี่ยที่เรากำลังพบเจอกันอยู่ตอนนี้ไม่ว่าอยู่ในสมัยไหนก็ยังเจอและยังแก้ไม่ได้เนี่ยก็คือเรื่องความแก่ความตายแต่ตอนให้คุณเอาครีมหน า, นาขนาดไหนมาพอกไว้เนี่ มันก็ช่วระยะเวลาที่ครีมออกฤทธิ์แต่ถ้าแก่มากๆแล้วครีมชนิดไหนก็ออกฤทธิ์ไม่ได้นะ <c oughs> อ่ามันก็ต้องตายนะ <c oughs> หมอคนไหนที่รักษาโรคตายได้เนี่ยไม่มีหมอเองก็ไม่รอด <c oughs> เพราะฉะนั้นโรคแก่โรคตายเนี่ยรักษากันไม่ได้ไหนะบางคนไม่ได้ตายด้วยโรคมะเร็งหายจากโรคมะเร็งก็มาตายด้วยโรคหัวใจแทนไหไม่ตายด้วยโรคหัวใจก็มาตายด้วยโรคชาราแท น, นะยยาาแทนอย่างนี้ก็มีเจอมาหลายกรณีแล้วแต่ว่าไอ้ไ อ, อ, อ้จิตที่เป็นอย่างนี้เนี่ย สามารถแก้ความแก่ความตายได้เพราะถ้าเราปล่อยวางหมดเลยเนี่นะเราปล่อยวางหมดเลยเนี่ยจิตของเราเนี่ยจะไม่ไปเกิดอีกจะไม่ยึดถือสิ่งใดเป็นตัวเป็นตนของเรานะในจิตที่เป็นอย่างเนี้ยจะไม่มีความแก่ไม่มีความตายจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเป็นจิตประพัสด์แต่เป็นจิตที่เรียกว่าจิตหลุดพ้นละสบายใจละทีนี้พอเราหลุดพ้นได้อย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าปัญหาอะไรต่างๆในโลกเราจะแก้ไขไม่ได้หมดเลยแต่ปัญหาเล็กๆอื่นๆเนี่ยก็จะสบายใจสบายใจไม่ได้ก็แก่ไปตามเรื่องตามเหตุ แต่อย่างไรก็ตามเาจะมาพูดถึงจุดที่เร็วกว่ า, าถ้าเรายัางปล่อยวางได้ไม่หมดขนาดนั้นเอาเขาว่าปัญหาชีวิตในเรื่องราวของเราในชีวิตเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเช่นแม่ดา่าสอบไม่ผ่านาโลกทําไมเป็นอย่างนี้มันร้อนเหลือเกินเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงถ้าเราปล่อยวางได้เนี่ยปัญหานั้นชืระดับไปเลย <Okay. S 1> คุณตัวให น, นี่ยออกมาสมมติเราถือของมาหนักๆเนี่ยเฮ้ยมันหนักเหลือเกินหาที่วางหน่อยเถอะไม่มีที่วางทําไงปล่อยมันทิ้งซะเบาทันที คือไม่ใช่ว่าเราไปเที่ยวหาของเบาๆมาถือนะไม่มีทางกูต้องวางของหนักเองแต่เพราะนั้นไอ้ความสุขที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่เราวางความทุกข์นั่นเองซึ่งตรงนี้นจะทําให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ทุกปัญหาในโลกปัญหาสื่อที่มันมาไม่ถูกต้องหนังสือพิมพ์ลงข่าวด่ากาันะหรือว่าโทรศัพท์มือถือนี่มีไอ้อสังมคมเครือข่ายที่มีข่าวดีบ้างไม่ดีบ้างเราวางได้อยู่วางที่จิตของเรา อคอมพิวเตอร์ Computer นี่โอ้ยมีทั้งเว็บเป็นอย่างนัง้นเว็บเป็นอย่างนี้เอาเราก็ว่าใช้แต่เว็บที่มันดีๆ <nord S 1> ก็แล้กวกันอย่างนี้เระวางไปซะคือเราต้องสามารถควบคุมจิตของเราได้ตรงนี้คือเรียกว่าการควบคุมจิตอย่างดีที่สุดเลยคุณใจัยค่ะเพราะว่าเราต้องการคิดเรื่องที่ไม่คิดไ ม, ไม่เรื่องที่ไม่ต้องการคิดเราก็ไม่คิดได้เรื่องที่ต้องการคิดเราก็คิดได้แล้วคนที่วางตรงนี้ได้เนี่ยจะมีความสามารถตรงนี้อืค่ะ แต่ต้องอาศัยการที่เราฝึกทําให้จิตเรามีพลังนะเจ้าค่ะ ท, ที่จะควบคุมว่าไม่ไหลไปตามนู้นตามนี้พอจิตนิ่งเนี่ยมันก็จะอยู่ในที่ที่สงบการที่จะอยู่ในที่ที่สงบได้นั่นก็คือเราสามารถปล่อยวางได้ใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ถือมาแบกเอาปัญหาเหล่านั้นมาใสา่ตัวเราดังนั้นเราก็จะเบาสบายขึ้นจริจังค่ะสรุปตรงนี้นิดเดียวสุดท้ายเลยว่าถ้าเราปล่อยวางได้แล้วเนี่ยเราจะเลือกได้เลยว่าอันนี้เราจะใช้อันนี้เราจะไม่ใช้ก็ได้ แต่คนที่ปล่อยวางไม่ได้ยังไงต้องไหลไปตามอำนาจของสิ่งมากระทบอันนั้นคือคุณยังเป็นท่าเขาอยู่แต่ถ้าเราปล่อยวางได้เนี่ยเราเลือกได้ว่าอันนี้เราจะให้งานจะใช้เฉพาะประโยชน์โทษเราทิ้งไปอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการทําให้เกิดขึ้นอืเจ้าค่ะนนะในฐานะที่เราเป็นคารวาสนะเจ้าค่ายังอยู่ในชีวิตคารวะต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองเราอยู่หรื อ, อ ว, ว่าอยู่ในสังคมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่ามเาีเหมือนเป็นไดนามิกะเจ้าค่ะ ม, มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเยอะในยุคนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะ นี่แหละนี่แหละคือถ้าเราเราทำจิตอย่างนี้ได้เราจะยิ่งยืดหยุ่นมากเราจะมีความสบายใจมากทีเดียวไม่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงันไหนก็ตามสาธุ้านคะ่ะการชมพูฟังค่ะที่ฉันหวังใจว่า ก, การพูดคุยสนทนาของอพระอาจารย์ไัยบุญอภิปุนโนท่านพระอาจารย์ องปาถกประจํารายการธรรมารบ ร, รุลนของสถานีวิทยุทกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันนี้คงจะได้ให้แง่คิดและก็ให้ประโยชน์โดยโตรงแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆท่านที่อาจจะรู้เรื่องรายละเอียดของการาทำํำก็เรียกว่าอนาปาณสติที่ถูกต้อง ที่ถูกทางจริงๆหลายท่านอาจจะเคยเหมือนไปนั่งสมาธิมาแต่บางทีอาจจะไม่รู้หนทางที่ตามที่องค์พาาระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วก็ทรงแนะนําให้ผู้ศึกษาชนิกชนหรือว่าสาวกของพระองค์ท่านได้ประพฤติปฏิบัติตามเพื่อจะไปถึงวิมุติในที่สุดก็ปล่อยวางได้แล้วก็ถึงพระนิพพานอย่างพระองค์ท่านนั้นทําอย่างไรนะคะซึ่งพระอาจารย์ไพบุณรภิปุโนะพระอาจารย์หลักสูตรเพื่อในการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเล้น ทำพุทธโอษขององค์พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งวัดป่าดอนไฮโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจงังหวัดอุดรธา น, นีก็ได้ชี้แจงให้ท่านฟังได้รับทราบกันแล้วนะค ะ, ะถึงเวลาที่จะต้องนําทุกฟังกลาบอําลาพระอาจารย์กันแล้วค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเรื่องของกา ร, ากราสักการะเสาร์อาทิตย์หน้านะคะจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะมากราบนมัดการลาพระอาจารย์พร้อมกันค่ะกราบนมัสกการลาและกราบขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเชิญบ้านสาธุเจ้าค่ะ